วิชนีวัคหมวดว่าด้วยพัฒวีชนีเป็นต้นหนึ่งวิทูปนทายกะเทระประธานประวัติในดิตชาติของพระวิทูปนะทายกะเทระพระวิทูปนทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้าได้ถวายพัฒวีชนีเล่มหนึ่งแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เจริญที่สุดในโลก ผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่เช่นนั้นข้าพระเจ้าทำจิต ข, ของตนให้เลื่อมใสประนมมืออภิวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมุ่งหน้าหลีกไปทางทิศเหนือพระศาสดาผู้ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกทรงจากพัฒวีชนีแล้วประทรับยืนอยู่ในถ้ากลางหมู่ภิกษุได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าด้วยการถวายพัฒวีชนีเล่มนี้และด้วยการตั้งจิตไว้มั่น ผู้นี้จะไม่ตกวินิบาตนารกถึงแสนกลับข้าพเจ้าบำเพ็ญเพียรมีจิตเด็ดเดี่ยวมีจิตตั้งมั่นในเจโตคุณมีอายุเจ็ดขวบก็ได้บรรลุอรหัตผลเน่กลับที่หกหมื่นนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักราพรรดิสิบหกชาติมีพระนามว่าพีชามานะมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแป และอภิญญาหกพระพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพเจ้าก็ได้ทํำสาเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระวิทูปณะทายกะเทระได้พาเสด็จคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้วิทูปณะทายกะเทราประธานที่หนึ่งจบสองสตารังสิยะเทราประธาน ประวัติในดิจฉาของพระสัตรรรสตรังศิยะเถระพระสัตตรังศิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีประภาคผู้เป็นผู้สูงสุดแทงบุรุษเสด็จขึ้นภูเขาสูงแล้วประทับนั่งอยู่เขาพระเจ้าเป็นพราหมณ์ผู้จบมนอยู่ในที่ไม่ไกลาจากภูเขาเขาพระเจ้าได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีประภาคผู้มีความเพียรมาก ผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพผู้องค์อาจกว่านรชนประนมมือแล้วชมเชยพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกว่าพระมหาวีระพุทธเจ้าพระองค์นี้ทรงประกาศธรรมอันประเสรศิฐมีหมู่ภิกษุแวดล้อมรุ่งเรืองดังกองไฟพระผู้มีพระภาสทรงเป็นดุดมหาสมุทรที่วันไหวได้ยากทรงเป็นดุดห่วงน้าที่ข้ามได้ยากทรงเป็นดุดราชสีที่ไม่ครั่นค้าม มีพระจักสุแสดงธรรมอยู่พระศาสดาพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงเป็นผู้นำทรงทราบความดำริของข้าพเจ้าแล้วประทับยืนอยู่ในถ้ำกลางโมพิกษุได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดได้ถวายอัญชลีและชมเชยพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดผู้นั้นจกได้ครองเทวสมบัติสามหมืนกับเนืกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไป พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าอังคีรสผู้ทรงทำลายกิเลสเครื่องห่อหุ้มได้แล้วจากเสด็จอุบัติขึ้นในครั้งนั้นผู้นั้นจกเป็นธรรมทายาทของพระองค์เป็นโอรสที่ทำเนรมิตรจกเป็นพระอรหรั น, ต, าานบรรบต์ม่นามว่าสตารังสีข้าพเจ้ามีอายุเจ็ดขวบก็ได้บวชเป็นบรรพชิตมีนามว่าสตารังสีข้าพเจ้ามีรัศมีแผ่ออกไป ข้าพเจ้ามีปกติเข้าฌานยินดีในฌานอยู่ที่มณฑบหรือโคนต้นไม้ทรงร่างกายอันมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดหกหมื่นกลับได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิชาติมีนามเหมือนกันว่ารามสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปด และอภิญญาหกเขาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทร า, าบว่าท่านพระสัตรังสียเถระได้พาสึกคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้สัตรังสียเถราประธานที่ 3. สองจบสยนะทายากะเถราประธาน ประวัติในเดชชาติของพระชยณะทายกะเทระพระชายณะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดชชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้ามีจิตผ่องใสได้ถวายที่นอนแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกทั้งโปวงพระองค์นั้นด้วยผลแห่งการถวายที่นอนนั้นโภกสมบัติจึยงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า เปรียบเหมือนพืชที่มีความสมบูรณ์ในนาดีนี้เป็นผลแห่งการถวายที่นอนนั้นข้าพเจ้านอนในอากาศได้ทรงแผ่นดินนี้ไว้ได้เป็นใหญ่ในสัตว์ทั้งหลายนี้เป็นผลแห่งการถวายที่นอนในกลับที่ห้าพันนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแปดชาติมีความเพียรมากในกลับที่สพันสรอนับจากลกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิสี่ชาติ มีพลานุภาพมากคุณุพิเศษเหล่านี้เพอปฏิสัมพิทาสีวิโมก8และอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสยาะทายกะเทระได้พาสุกถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้สยาะทายกะเทราประธานที่สามจบ คันโททกะทายกะเทราประทานประวัติในดิจฉาติของพระคันโททกะทายกะเทระพระคันโททกะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นได้มีการฉลองต้นมหาโพของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระข้าพเจ้าได้ถือหม้อน้ำอันวิจิตรได้ถวายน้ำหอมรสต้นมหาโพ ก็ในเวลาที่รถต้นมหาโพเมฆฝนเป็นอันมากได้ตกลงมาและได้มีเสียงบรนเลอดังลั่นในเมื่อสายฟ้าฟาดลงมาด้วยกำลังแห่งสายฟ้าฟาดลงมานั้นแหละข้าพเจ้าได้สิ้นชีวิตณที่นั้นไปเกิดบนเทวโลกเรียกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าช่างหน้าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าช่างหน้าอัศจรรย์พระธรรมช่างหน้าอัศจรรย์การที่ข้าพเจ้าได้ประจบกับพระศาสดา ร่างกายของข้าพเจ้าล้มตายลงไปแล้วข้าพเจ้าได้รื่นรมในเทวโลกวิมานของข้าพเจ้ามีเจ็ดชั้นสูงตรังงานนางเทพกัญญาหนึ่งแสนางแวดล้อมข้าพเจ้าทุกเมื่อข้าพเจ้าไม่มีความเจ็บไข้ไม่มีความเศร้าโศกไม่ประสบความเร่าร้อนเลยนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมในกลับที่สองพันแปดร้อนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า จังวัิตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เพื่อปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าพระคันโททกะทายกะเทระได้พาสุกขาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี พันโททกะทายกะเถราประทานที่สี่จบหโอปวุยหะเถราประทานประวัติในดิตชาติของพระโอปวุยหะเถระพระโอปวุยหะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้ถวายม้าอาชาในแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระครั้นมอบถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ได้กลับไปยังเรือนของตนพระอกรสาวกมีนามว่าเทวิละของพระศาสดาผู้เป็นธรรมทายาทที่ล้ำเลิศได้มายังสำนักของข้าพเจ้ากล่าวว่าพระผู้มีพระภาคผู้นำประโยชน์ทั้งปวงม้าอาชาในไม่สมควรแก่พระองค์พระองค์ผู้มีพระจักสุทรงทราบความดำริของท่านแล้วจึงทรงรับไว้แล้วข้าพเจ้าจึงตีราคาม้าสินทบ ซึ่งมีกำลังวิ่งเร็วดังลมเป็นพาณาที่รวดเร็วแล้วได้ถวายของที่ควรแด่พระพุทธเจ้า พ, พระนามว่าปทุมตระเาพเจ้าเกิดเนกํากำเนิดใดๆเคอจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆม้าอาชาในมีกำลังวิ่งเร็วดังลมเป็นซับเครื่องปลื้มใจย่อมบังเกิดแก่้าพเจ้าชนเหล่าใดได้อุปสมบท ชนเหล่านั้นได้ลาบดีแล้วถ้าว่าพระพุทธเจ้าจะพึงมีในโลกเขาพเจ้าก็จะพึงเข้าไปเฝ้าบ่อยๆเขาพเจ้าได้เป็นพระราชาผู้มีภารานุภาพมากเป็นใหญ่มีชัยชนะในทวีปทั้งสเป็นใหญ่แห่งชนชาวชมพูทวีป28ชาติอัตภาพนี้เป็นอัตภาพสุดท้ายของเขาพเจ้าพบสุดท้ายกําลังเป็นไปอยู่เขาพเจ้าละความชนะและความแพ้ได้แล้ว บรรลุฐานะที่ไม่วันไหวในกลับที่สา0พันสี่ร้อนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีเดชมากสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่านพระโอปปวิหะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนิโอปปวิหะเทราประธานที่ห้าจบหสัปปริวาราสนะเทราประธานประวัติในเดชะชาติของพระสัปปริวาราสนะเทระพระสัปปริวาราสนะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดชะชาติของตนจึงกล่าวว่า ข้าพเจ้าไปยังสถานที่สุดโสมแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าประดับด้วยดอกมะลิซ้อนได้ถวายบิณฑบาแตแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้นำชั้นเลิศของโลกทรงเป็นผู้ตรงมีพระอริอไยไตรตั้งมั่นประทับนั่งบนอาสนะนั้นแล้วได้ทรงประกาศอนิสงส์บิณฑบาตว่าพืชแม้จะมีประมาณน้อยที่ชาวนาปลูกลงในานาดี เมฆฝนเป็นอันมากโปรยลงมาอย่างพอเหมาะผลย่อมให้ชาวนายินดีได้ฉันใดบินทบาทนี้ก็ฉันนั้นท่านปลูกแล้วในนาดีผลจะให้ท่านยินดีในพบที่ท่านเกิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปะทุมุตระครั้นตรัส ด, ดังนี้แล้วทรงรับบินทบาทบ่ายพระพักเสด็จหลีกไปทางทิศเหนือข้าพเจ้าสารวมในพระปฏิโมกและในอินรียห้า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 สัพปริวาราชนะเทราประธานที่หจบเปัญจทีปกะเทราประธานประวัติในเดจชาติของพระปัญจทีปกะเทระพระปัญจทีปกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดจจชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเชื่อสนิทในพระสัตธรรมของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ทรงอนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวง จึงได้เป็นผู้มีความเห็นตรงเขาพเจ้าได้ถวายประทีปแวดล้อมไว้ที่ต้นโพครั้งนั้นเขาพเจ้าเชื่ออยู่จึงทำการบูชาด้วยประทีปไว้เขาพเจ้าเกิดในกำเนิดใดๆเคยจะเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามในกำเนิดนั้นๆเทวดาย่อมถือดวงไฟไว้ในอากาศนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยประทีปเขาพเจ้าสามารถมองเห็นได้ทะลุฟ้า ทะลุกำแพงสิลาทะลุภูเขาได้ร้อยโยน์โดยรอบเ้วยผลกรรมที่เหลืออยู่นั้นพระพเจ้าเป็นผู้บรรลุความสิ้นอาสวะพระพเจ้าทรงร่างกายอันมีเนพบสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ในกลับที่สามพันสี่ร้อยนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพัฒนมีพระนามว่าสตจักสุมีเดชมากมีพลานุภาพมาก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 พระชชทายกะเทระประธานประวัติในดิตชาติของพระทชชทายกะเทระพระทชชทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้ามีจิตร่าเริงเบิกบานได้ยกธงขึ้นปักไว้ที่โคนต้นโพซึ่งเป็นต้นไม้ประเสริฐของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระข้าพเจ้าเหยียบใบโพที่หล่นนําไปทิ้งภายนอก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หมดจดทั้งภายในทั้งภายนอกผู้หลุดพ้นดีแล้วหาอาสวะมิได้ข้าพเจ้าได้ไว้ต้นโผที่ประเสริฐเหมือนได้อภิวาทพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมตระทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาเฉพาะพระพักผู้เป็นพระาศาสดาพระทับยืนในถ้ำกลางหมู่พิษุได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่า ด้วยการถวายทงและด้วยการบำรุงทั้งสองอย่างนี้เขาจะไม่ไปเกิดอย่างทุกขติตลอดหนึ่งแสนกัปจากสวยที่พยะสมบัติไม่ใช่น้อยในหมู่เทวดาและเขาจะได้เป็นพระราชาในเว่นแคว้นหลายร้อยชาติจกได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าอุคตาเขาครั้นสวยสมบัติแล้วถูกกุศลมูลตักเตือนจากยินดียิ่งในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโพดม ข้าพเจ้ามีจิตเด็ดเดี่ยวเพื่อบำเพ็ญเพียรสงบประงับไม่มีอุปธิทรงร่างกายอันมีเนภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกลับที่หนึ่งพันห้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นประจักรหลายพระองค์มีพระนามว่าอุคตะในกลับที่หนึ่งพันหนึ่ง้อยห้าสิบนับจากกลับนี้ไปได้เป็นกษัตริย์หลายชาติมีพระนามว่าเขมะ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 ปทุมเถราประทานประวัติในอดีตชาติของพระปทุมเถระพระปทุมะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าปทุมุตระทรงประกาศสัจจีทรงประกาศธรรมอันประเสริฐให้เป็นไปทรงโปรยปลายหยาดฝนคืออมตะธรรมให้มหาชนสงบเย็น ข้าพเจ้ายืนถือดอกปทุมพร้อมทั้งธงอยู่ในที่ไกลสองร้อยห้าสิบชั่วคันธนูมีใจร่าเริงได้โยนดอกปทุมพร้อมด้วยธงขึ้นไปในอากาศเพื่อบูชาพระมุนีพระนามว่าปทุมุตระและเมื่อดอกปทุมกำลังลอยมาความอัศจรรย์ก็เกิดมีในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐกว่าเจ้าลัทธิทั้งหลายทรงทราบความดําฤกของข้าพเจ้าทรงรับไว้แล้ว พระศาสดาทรงรับดอกประทุมชั้นดีเยี่ยมไว้ด้วยพระหัตถ์ที่ประเสริฐประทับยืนอยู่ในถ้ำกลางหมู่พิกษุได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเราจักพยากรผู้ที่โยนดอกประทุมนี้มาใกล้พระสัพพันยูซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดเขาจากเป็นจอมเทพครองเทวสมบัติสามสิบกลับจากเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองแผ่นดินเจ็ดร้อยกับจากเป็นพระเจ้าจักรพัท เพราะถือเอากลีบบัวในดอกบัวนั้นสายฝนดอกไม้จกตกลงมาจากอากาศในครั้งนั้นในกลับที่หนึ่งแสนนับจากกลับนี้ไปพระศาสดาพระนามว่าโคดมตามพระโคดทรงสมภพในราชสกุลโอกาก ร, ราชจากอุบัติขึ้นในโลกผู้นั้นจกเป็นธรรมทายาทของพระศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสที่ทำเนรมิตรกำหนดรู้อาสวะทั้งปวง จากเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้ว น, นิพพานเขาพเจ้ากลอดจากคันแล้วมีสติสัมปชัญญะมีอายุได้ห้าขวบก็ได้บรรลุอรหัตผลคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกเขาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระปทุมเทระ ได้พาสุดาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้ปทุมมะเทราประทานที่เก้าจบสิ 10. อาชนะโภธิยะเทราประทานประวัติในดิจชาติของพระอาสนโภธิยะเทระพระอาสนะโภธิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าเขาพระเจ้ามีอายุเจ็ดขวบก็ได้พบพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก ข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้เข้าไปเฝ้าพระองค์ผู้เป็นนรกผู้สูงสุดข้าพเจ้ามีจิตร่าเริงเบิกบานได้ปลูกต้นโพอันอุดมถวายพระผู้มีพระภาคพระนามว่าติชะผู้เจริญที่สุดในโลกผู้คงที่ต้นไม้งอกขึ้นบนแผ่นดินโดยนามบัญญัติว่าอาสนะข้าพเจ้าบำรุงต้นโพชื่ออาสนะอันอุดมนี้ตลอดห้าปี ข้าพเจ้าได้เห็นต้นไม้มีดอกบานสะพรั่งน่าอัศจรรย์เป็นเหตุให้ขนพองสยองกล้าวเมื่อจะประกาศกรรมของตนจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าติสสะพระองค์นั้นทรงเป็นพระสยามภูผู้เป็นบุคคลผู้เลิศประทับนั่งอยู่ในถ้ำกลางหมู่พิกษุแล้วได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเราจากพยากรณ์ผู้ที่ปลูกต้นโพนี้ และทำการบูชาพระพุทธเจ้าโดยเคารพท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวเถิดเขาจากครองเทวสมบัติในหมู่เทวดาสาสิบกับและจากได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิหกิบสี่ชาติเขาถูกกุศลมูลตักเตือนจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วสวยสมบัติทั้งสองจากเร่ร่อนอยู่ในความเป็นมนุษย์เขามีจิตเด็ดเดี่ยวเพื่อบำเพ็ญเพียรสงบระงับไม่มีอุปธิ กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงจากเป็นผู้ไม่มีอาสวะแล้วนิพานเขาพระเจ้ามันประกอบวิเวกเป็นผู้สงบประงับไม่มีอุปธิตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอาสวะดุพยยาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระในกลับที่เก้าบสองนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ปลูกต้นโพไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการปลูกต้นโพในกลับที่เจ็สิบสนับจากกลับนี้ไปในครั้งนั้นได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปรากฏพระนามว่าทันทเสนะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ประการในกลับที่เจ็ดสิบสามนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินเจ็ดชาติมีพระนามว่าสมันตะเนมิในกลับที่ยี่สิบห้านับจากกลับนี้ไป ได้เป็นประสัต์ผู้จักรพรรดิพระนามว่าปุณณะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากกุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แและอภิญญาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระอาสนะโพธิยเทระ ได้พาศสด็คาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้อาสนะโพธิยะเทราประธานที่สิบจบวิชนีวักที่หจบบริบูรณ์รวมอาประธานที่มีในวักนี้คือหนึ่งวิทูปณะทายกะเทราประธาน 2. สองสตารังศิยะเทาราประธาน 3. สายนะทายกะเทราประธาน สคันโททกะทายกะเทราประทาน 5. โอปะวุยหะเทราประทาน 6. กสปริวาราชนะเทราประทาน 7. ปัญจทีปะกะเทราประทาน 8. ปดทชะทายกะเทราประทาน 9. ปทุมะเทราประทาน 10. อาชนะโพธิยะเทราประทานและมีคาถา เก้าสิบสองกาถา